เรื่องนี้เป็นเรื่องประสบการณ์ตรงจากคุณเอฟเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องบ้านยายของผมเองครับซึ่งลักษณะของบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูงมีใต้ถุนด้านล่างจะเป็นเสาปูนขอเท้าความก่อนนะครับทวดของผมคือพ่อของยายผมในสมัยก่อนแกเป็นหมอผีซึ่งในบ้านของยายก็จะมีพวกเครื่องราง อุปกรณ์ที่ใช้ไล่ผีในสมัยก่อนอย่างเช่นไม้ตีผีไม้คล้องผีแล้วก็พายาันต่างต่างตั้งแต่ทวดตายของต่างๆในบ้านเหล่านี้ที่เป็นของทวดก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครเอาไปไหนพอหลังจากที่ยายรับบ้านต่อจากรุ่นทวดผมผมก็ได้เข้ามานอนในบ้านของยายบ้างเป็นพักๆแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนผม จะมาเที่ยวที่บ้านผมก็เลยกะว่าจะพามานอนที่บ้านยายของผมซึ่งเพื่อนมาถึงก็พูดคุยนู่นนี่กันแล้วก็ชวนกันไปซื้ออะไรมาดื่มกันที่บ้านพอซื้อเสร็จกลับมาบ้านเพื่อนผมก็เข้าไปสำรวจภายในบ้านยายผมแล้วสายตามันก็ไปสะดุดเจอกับผ้ายันก็เลยถามผมว่าขอสักผืนได้ไหม ผมก็บอกว่าเอาเลยเพราะผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเพียงแค่คู่เดียวพอเอาผ้ายันมาถือได้สักแป๊บเพื่อนผมมันก็บอกว่าไม่เอาแล้วว่ะไม่อยากได้แล้วผมก็งงไม่เอาก็ไม่เอาก็เลยเอาผ้ายันไปเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็เลยมานั่งกินเหล้ากันต่อพอนั่งกินกันไปเรื่อยเวลาตอนนั้น น่าจะประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งแล้วเพื่อนผมก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนเคาะอะไรใต้ถุนบ้านด้วยความที่ตอนนั้นมันก็เริ่มเมาแล้วก็เลยใช้เท้ากระทืบไปบนพื้นหมายเสียงดังลั่นบ้านแล้วก็พูดตะโกนออกไปว่าเฮ้ยมีอะไรก็ขึ้นมาข้างบนสิวะจะไปเคาะใต้ถุนทําไมวะแล้วเสียงนั้นก็เงียบลงไป หลังจากนั้นผมก็นั่งดื่มกันต่อผ่านไปได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงแบบเดิมแต่คราวนี้ดังขึ้นที่ห้องน้ำแล้วก็ดังที่หน้าต่างคราวนี้แหละครับดังรอบบ้านเลยสักพักเพื่อนผมก็บอกว่ามึงไปส่งกูที่บ้านดีกว่าวเพื่อนคืนนี้กูคงนอนที่บ้านมึงไม่ได้แล้ว เพื่อนของผมพูดพร้อมด้วยสีหน้าที่ตกใจสุดขีดผมสังเกตว่าเพื่อนผมเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้มากมีอาการสั่นเหมือนตกใจอะไรบางอย่างผมก็ขับรถไปส่งมันตอนนั้นเลยพอตกเช้าอีกวันผมก็ออกไปรับเพื่อนมาอีกทีเพื่อที่จะถามว่าเสียงที่เพื่อนผมได้ยินนั้นมันมาจากไหนซึ่งเพื่อนผมก็เดินไปดูที่ไม้ตีผีแล้วมันก็ลองเอาไม้นั้นตีที่พื้น มาเคาะกับพื้นไม้บนบ้านดูเพราะได้ยินเสียงนี้มันก็บอกทันทีเลยว่านี่แหละเมื่อคืนเสียงไม้นี้เลยเหมือนมีใครเอาไม้มาเคาะรอบบ้านเลยเมื่อคืนแล้วผมก็ถามมันต่อว่าแล้วผ้ายันที่เอ็งขอเมื่อวานทำไมไม่เอาละ่ะเพื่อนผมก็บอกว่าตอนที่มันขอผ้ายันผมและผมตกลงว่าจะให้แต่พอจะเก็บผ้ายันนั้นใส่กระเป๋า ก็มีคนแก่หน้าดุตาแดงก่ำที่ไหนก็ไม่รู้ยืนชี้มาที่ผ้ายันแล้วมีสีหน้าท่าทางเหมือนกับว่าไม่ให้เอาผ้ายันนี้ไปให้วางไว้ที่เดิมมันเลยตกใจไม่กล้าเอามาผมก็ลองมานึกดูว่าคนแก่คนนั้นที่มันเจอคือใครก็เลยพาเพื่อนไปดูรูปบรรพบุรุษที่อยู่ในตู้บนบ้านมันเห็นรูปที่อยู่ในตู้ถึงกับสะดุ้ง แล้วก็เลยบอกว่านี่แหละคนนี้เลยซึ่งรูปที่เพื่อนผมชี้ก็คือรูปทวดของผมเองหลังจากนั้นมันก็พูดว่ากูคงเข็ดไม่กล้ามาบ้านเมืองอีกนานเลยผมคิดว่าทวดของผมคงไม่พอใจที่เพื่อนผมมาเที่ยวที่บ้านหลังนี้แล้วขอพายานซึ่งเป็นสิ่งที่ทวดของผมใช้ช่วยเหลือคนในสมัยก่อนหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไป ผมก็ได้ไปถามแม่ของผมว่าทำไมหลังจากที่ยายตายไปแล้วบ้านหลังนี้ทำไมเราไม่ให้คนอื่นเช่าละ่ะแม่ผมก็บอกว่าหลังจากที่ยายตายไปแล้วก็มีมาเช่าอยู่บ้างสองสามคนแต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะได้ยินเสียงคนเดินได้ยินเสียงถึงๆ ท, ทางๆบ้างอยู่กันไม่ได้สักคนเพ่นกระเจิดกระเจิงไปหมดพอตอนแม่ผมจะตั้งสารประภูมิที่บ้านยาย แกก็ไปพาร่างทรงมาที่บ้านยายแม่ผมก็ได้ถามร่างสรงว่าทำไมใครที่มาชอบบ้านถึงอยู่ไม่ได้เลยร่างสรงเลยบอกว่าทวดแกให้คนอื่นมาอยู่ซึ่งให้อยู่ได้แคล่ลูกหลา น, ห, ลานหนึ่งเดียวเท่านั้นคนนอกแกไม่ให้อยู่หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปเพื่อนผมก็ไม่มาบ้านหลังนี้เป็นเวลานานเลย ชวนขยันขยอแค่ไหนก็ไม่ยอมมาผมคิดในใจว่าเพื่อนผมคงเค็ดแล้วแน่ๆที่โดนทวดเล่นงานเอาขวัญหนีดีฟอ่อเลยเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c คร b e เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ